อรุณสวัสดิคะ่ะท่านผู้ฟังคะ่ะรายการธรมรมาราปุลน์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมก็ปี2554คะ่ะวันนีอ้อย่างที่ได้สนทนากันไปเมื่อเช้าวา น, นี้นะคะว่าวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสเต็มตัวแล้วละ่ะบรรดาคริสต์ศาสินิกชนนะคะก็คงจะเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสกัน ส่วนพี่น้องชาวไทยเรานะคะก็คิดว่าคงจะมีความสุขในช่วงนี้แล้วล่ะคะ่ะหลังจากที่เราได้ผ่านเรื่องร้ายๆมาค่อนข้างเยอะและแม้ว่ายังมีพี่น้องเราบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยนิดนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่เราก็ยังมีจิตใจที่จะรักกลมเกลียวแล้วก็ให้การช่วยเหลื อ, อกู้กลนกันอยู่นะคะจะเห็นได้จากตามข่าวทั่วไปว่ายังมีการช่วยเหลื อ, อพี่น้องที่ประสบะอุทกภัยแล้วยังต้องเผชิญกับ เรือของน้ําท่วมซึ่งเหลืออยู่แม้ว่าจะน้อยแต่าทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะคะรวมทั้งเอกชนแล้วก็บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพอะไรแม้แต่อาชีพที่เป็นด้านของศิลปินอะไรต่างๆก็พร้อมใจกันไปให้กําลังใจกันนะคะช่วงนี้ก็คงจะเป็นช่วงของการที่เราจะส่งความสุขกันนะค ะ, ะเริ่มตั้งแต่คริสต์มาสก็จะมีการอวยพรว่าสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วก็พอช่วงระยะนี้ก็คงหลายๆท่านคงจะได้รับส อ, บอสอ ที่ได้ส่งความสุขมาถึงกันบ้างแล้วนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า2 5งพแล้วก็ต้อนรับปีใหม่2555ซึ่งกําลังจะมาถึงในอีก1สัปดาห์ข้างหน้านี้นะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้อมักการะพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนค่ะซึ่งท่านก็จะได้มาสากการาหรือสนทนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการส่งความสุขในช่วงของอทั้งวันคริสต์มาสและก็วันขึ้นปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันนะคะ ปราบนิมส ก, การเจ้าข้าพระอาจารย์เจ้าขาอาจารย์พานสาธุเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าคะพูดถึงเรื่องของการส่งความสุขในในช่วงนี้ซึ่งบรรดาพี่น้องไม่เฉพาะชาวไทยนะเจ้าคะแต่ว่าทั่วโลกแหละก็<ช>กําลังมีความสุดยื่นใจจดใจจ่ออยากจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันทั้งนั้นเลยในในเรื่องของพุทธศาสนาของเรานั้นเนี่ยเรื่องของการส่งความสุขนี่ เป็นอย่างไรแล้วก็มีบุญกุศลอย่างไรความสุขมีกี่ชนิดด้วยกันขอนามส ก, การแล้วก็นิมนต์พระอาจารย์ได้เมตตาสากชาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะเรื่องของในเทศกาลการส่งความสุขจริงๆแล้วเรื่องของการส่งความสุขเนี่ยเราทําได้อยู่ตลอดเวลานะอาจจะไม่จําเป็นต้องว่าต้องเป็นเทศกาลใดเทศกาลเฉพาะนะแต่ถ้าคุณจะอาศัยเหตุปัจจัยนี้ในการทําความดีก็ก็ดีเห็นด้วยนะให้ทําทุกวันก็ยิ่งดีเลยนะส่งความสุขให้กันและกันเนี่ย ทีนี้ก็ประเด็นในเรื่องของความสุขมีสมัยหนึ่งคุณบาอาจารย์ในที่ท่านบรณภาพไปแล้วอายุแต่อท่านเป็นอยู่ตอนนี้ท่านคงคงจะอายุร้อปีแล้วละ่ะแต่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนตอนที่ท่าน เ, เริ่มมีอายุแล้วคนไทยเขาจะมีคําว่าอะไรนะคุณถึงใจสอข้อสใช่ไหมจุกค่ะสอข้อสอส่งความสุขนี้จริงๆเพิ่มมาเพิ่ง ม, ม, ม, มาใช้ระยะหลั ง, ลงๆนี่เองเองนาะยี่สิปีมานี้มั้ง 20-30 ปีมานี้เองถูกไหม ไม่ได้มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่2 อ, อะไรอย่างเงี้ยนะเพิ่งมามีในรัชสมัยปัจจุบันถูกไหมคาว่าสคสเพราะฉะนั้นท่านก็เลยไม่ทราบว่าสคสนี่คืออะไรแในหลังจากที่ได้รับคำคำอธิบายว่าคือส่งความสุขเนี่ยก็เลยเป็นที่ทราบกันตอนนี้ทําให้มาถึงประเด็นที่ว่าเแล้วความสุขที่เราว่าส่งให้กันส่งให้กันเนี่ยมันส่งได้จริงไหมแล้วความสุขนี่คืออะไร นะก็โดยคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขนะบุญเนี่ยคือชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นความสุขก็คือบุญนั่นเองนะแล้วก็อย่า ก, กลัวต่อบุญเลยเรื่องของความสุขนี้ก็คือมีความสุข2แบบนะพระพุทธเจ้าเกิดตรัสเอาไว้ความสุขที่เป็นไปในทางตาหูจมูกลิ้นกายนะอันนี้ก็เรียกว่าการมาสุขนะการมาสุขก็อย่างเช่นว่ า, าดูหนังสนุกฟังเพลงเพราะกินข้าวอร่อย เนี่ยพวกนี้คือการมาสุขหมดเพราะฉะนั้นอย่างสมมติเราให้ของขวัญอย่างเงี้ยเอากระเช้าไปให้นะอันนี้ก็เป็นความสุขที่ให้ได้ทางที่เป็นอามิตรนะอามิตรหมายถึงว่าต้องมีเครื่องมาล่อไงคุณเตือใจคุณต้องเอาผลไม้มาล่อนะคุณต้องเอาไอาน้น้ำของขวัญมาล่อนะฉันถึงจะโอ้มีความสุขจริงๆเลยเธอเอาของขวัญให้ฉันอย่างนี้นะบางคนเอายิ่งร้ายไปกว่านั้นเอาสุรานะอันนี้ไม่ได้ถือว่าให้ความสุขแต่ว่าให้สิ่งที่เป็นอบายมุก นักเลงเการแช่งกันเจ้าค่ะเขาครให้เขาไปเมซูราก็คือแช่งใช่่ะก็ถ้าเป็นพุทธวจนะเนี่ย <c oughs> พูดถึงการที่เรามีความเชี่ยวชาญในการดื่มสุราเนี่ยนะคือเป็นนักเลงสุราเนี่ย <c oughs> คือเป็นทางไปสู่ความเสื่อมเป็นอบายามกุกปากทางไปสู่ความเสื่อมเพราะถ้าเราให้สิ่งที่เป็นอบายมุกเนี่ยก็ชื่อว่าให้สิ่งที่จะเป็นความเสื่อมอ่าประเด็นก็ไม่ดีละ่ะแล้วเราก็ให้สิ่งดีๆให้สิ่งดีๆที่พอจะให้ได้ อในที่นี้อย่างเช่นว่าสมมุติให้ของขวัญกันเนี่ยมันยังยังไงก็ตามมันก็ยังเป็นอามิสอยู่ดียังเป็นที่ต้องอาศัยเครื่องข้างนอกมาล่อบางคนอทั้งผู้ฟังทั้งหลายฟังให้ดีคนที่เคยรับของขวัญ่คนที่เคยรับของขวัญทั้งหลายฟังให้ดีบางทีเราได้รับของขวัญอย่างนี้เราไม่อยากได้เลยของชิ้นนี้คือเป็นของที่ไม่ถูกใจเรามีไหมมีเหมือนกันหรือเอ่ารับมาเสร็จแล้วโอ้ยไม่อยากได้เลยอันนี้เป็นภาระกับเราเปล่า นี่คื อ, อโทษของสิ่งที่เป็นอามิตรไงสิ่งที่ยังต้องมีเครื่องร่อบางคนบอกไปเที่ยวต่างจังหวัดเป็นต้นนะนะคิดว่าจะสบายใจแ ต, แต่พอไปเที่ยวแล้วปรากฏคนก็เยอะของก็หายากรถก็แน่นคนก็ติดแล้วก็มีขยะเต็มไปหมดแทนที่จะไปมีความสุขที่เกิดจากสิ่งข้างนอกใช่ไหมยิ่งมีความทุกข์มากขึ้น <Okay. S 1> เหมือนกันเวลาเรารับของมาเราคิดว่าแหมคนเอาของขวัญมาให้เยอะๆจะมีความสุข บางทีมันไม่ใช่นะยิ่งมันรู้สึกว่าเป็นภาระในการที่ต้องมาจัดการด้วยซ้ํา น, น, นี่คือข้อเสียคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันมีข้อเสียมากข้อเสียของสิ่งที่เป็นอามิดเนี่ยมันมีอยู่เยอะซึ่งตรงนี้ก็คือความสุขในชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับเราแบ่งเค้กกันให้ได้คือแบ่งเค้กนะคือแบ่งเค้กคือเค้กเราก็ลดลงไปแล้วก็ให้เค้กเขาขึ้นมาแต่มันมีความสุขประเภทที่2คือความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม นะคือถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เป็นตาหูจมกูกลิ้นกาย5อย่างเนี่ยเช่นของภายนอกอาหารดีๆรถห ร, ร, รูเงินเทอมมากมายเนี่ยเป็นความสุขที่เรียกว่าเป็นกามสุขเป็นกามสุขนะค่ะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เสพได้น้อยหน่อยควรจะกลัวความสุขประเภทนี้เพราะฉะนั้นของไม่ดีเราอยากให้กันอะไรที่เป็นอามิ t h เนี่ยเราอย่าเอาไปให้กันแต่เราให้สิ่งที่มันดีไปกว่านั้นนั่นนะคือสิ่งที่เป็นนิรามิตคือไม่เกี่ยวข้องด้วยกาม เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นเนคข ม, มะคือสิ่งที่ประเสริฐเลิศรู้ขึ้นไปอีกนะ<ช>นั่นคือความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างเช่นคุณนั่งสมาธิแล้วมีความสุขอย่างเงี้ยเป็นความสุขพอเป็นความสุขในภายในแล้วเนี่ยอันนี้ถึงจะดีนะถึงจะเป็นสิ่งที่เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีต ก, กว่าลึกซึ้งกว่าอย่างสมมติอาจารมานั่งสมาธิเรามีความสุขอยู่อย่างเงี้ยใครก็มาเอาไปไม่ได้ คนติดคคกอยู่ถ้าเขารู้จักทําจิตให้สงบเขาเป็นสมาธิอยู่ข้างในได้ต่อให้ลงโทษเขายังไงขังเขาอยู่ในห้องเล็กๆอาหารมีกินบ้างไม่กินบ้างเขาก็ยังมีความสุขที่อยู่ในใจเขาอยู่ได้เขาคือคนอื่นจะเอาอิสรภาพตรงนี้ของเขาไปไม่ได้เลยซึ่งมันขโมยกันก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็บังคับกันก็ไม่ได้ฉันจะทํางี้แล้วเธอจะทําไหมอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นความสุขที่เราควรจะมีเป็นความสุขที่ควรจะส่งให้กัน ทีนี้เราก็ต้องบอกถึงการส่งความสุขในลักษณะนี้คือความรักความเมตตาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เหนือกว่ากามเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากตาหุจมบกลิกายอย่างเงี้ยนะอย่างเช่น<ช>ว่าเราคิดดีๆกับคนอื่นคือการคิดดีพูดดีทำดีกับคนอื่นอย่างเช่นว่าเราไม่ด่าเขานะไม่ว่าเขาพูดสิ่งที่ให้เกิดความฟูใจให้สามัคคีกัน อย่างนี้เป็น <Okay. S 1> ต้นอันนี้ชื่อว่าส่งความสุข น, น ะ, <Okay. S 1> ะส่งความสุขที่ยิ่งไปกว่าข้าวของของขวัญดนะิเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากทางใจนะหรือว่าเราแผ่เมตตาให้เขาอย่างนีนะ้เราก็ให้ความสุขกับเขาในทางที่ละเอียดกว่าขึ้นไปด้วยนะทำให้บางคนอาจจะคิดว่าเอแล้วถ้าเราแบ่งให้เขาอย่างนี้บุญเราจะลดไหมเพราะบุญคือชื่อของความสุขใช่เราแบ่ง <c oughs> ความสุขให้เขาอย่างนี้ความสุขเราจะลดไหม อันนี้ก็ตอบได้ชัดเจนถ้าท่านผู้ฟังลองทําเลยก็ได้อย่างเรารักลูกรักเพื่อนบ้านเราเรารักคนอื่นๆอย่างเงี้ยส่งความรักให้โลกนั่งสมาธิละแกระแสความรักความเมตตาไปเราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีความสุขน้อยลงน ะ, ะมันไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งจะมีความสุขมากขึ้นด้วยซ้ำํำเพราะฉนั้นมันจึงเป็นลักษณะของการต่อเทียนไม่ได้เป็นการแบ่งเ ค, ค้กนะคะต่อเทียนสมมุติเราต่อเทียนอาจมาต่อเทียนที่คุณเดินใจอย่างเงี้ยเทียนอาจจะมาก็ไฟ ความสว่างของเทียนอาตมา ก, ก็ไม่ได้ลดลงไปนะแล้วก็ความสว่างของเทียนของคุณเตือนใจก็ยิ่งเกินมาอีกเาคุณเตือนใจไปต่อเทียนทีค้คนอื่นอีกนะความสว่างก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาแต่ความสว่างของเราไม่ได้ลดลงไปนะนี่มันดีกว่าตรงนี้ไงมันดีกว่าให้ของขวัญกันด้วยซ้ําส่งความสุขในการส่งก๊์ดก็ตามส่งของขวัญก็ตามเนี่ยมันก็ยังของเรามันลดไปต้องเสียเงินซื้อก๊าซนะแล้ต้องเสียเงินซื้อกระเช้าของขวัญนะเราต้องเสียเวลาเตรียมของแล้วส่งจดหมายไปให้เขาอีกนะโอ้นี้เป็นภาระที่ จะต้องมีแต่ถ้าเราใช้ใจนะใช้วาจานะใช้กายในการกระทำํำนะส่งความรักความเมตตาตรงนี้ไปจิตที่เป็นกุศลธรรมตรงเนี้ยมันไม่ได้ลดลงไปด้วยดีกว่าไหมละ่นะ<ด>แล้วแล้วในการทําตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงสิ่งที่เป็นมงคลนะเรา่าจจะให้วัตถุมงคลกัน บางคนเน so ี่ยเขก็ให้พระเครื่องนะพระเครื่องเป็นวัตถุมงคลหรือแผ่นยันผ้ายันอะไรต่างๆถ้าคุณบอกกูจะให้ธรรมะนะให้สิ่งที่ดีกว่าให้กระเช้าของขวัญใช่ไหมบางคนนี้ก็ให้หนังสือธรรมะบ้างหรือว่าให้พวกเครื่องรางของขลังผ้ายันสายศิลอะไรพวกนี้นะซึ่งที่เราบอกเราเป็นวัตถุมงคลเป็นของดีของขลังเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยพูดถึงวัตถุมงคลของพระองค์อยู่นั่นคือมงคลสามสิบสอประการสามสิบปประการมีการ ลิงค์ดูมันดาบิดามีการฟังธรรมะมีการที่คบกับคนดีมีการไม่คุยกับคนชั่วพวกนี้เป็นตน้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นทางกายทางวาจาทางใจที่เราทําได้ ท, ทันทีแล้วคแค่ว่าเราตื่นเช้าขึ้นมาในเทศกาลการส่งความสุขอย่างเงี้ยคุณคุมจิตคุณได้ไหมว่าอยากโกรธเลยแม้แต่วินาทีเดียวเอาอยากโกรธเลยแม้แต่นาทีหนึ่งเอาก็แล้วกันเอาแค่นี้พอ สมมติว่าถ้าคุณรีบดับความโกรธของคุณได้ภายใน30วินาทีก็ยังโอเคอยู่นะอแต่ถ้าคุณเกิดโกรธเกินหนึ่งนาทีนี้ไม่ได้ละคุณคุมจิตของคุณในที่นี้ได้ไหมหรือว่าคุณอย่าโลภนะอย่ามีความเพ่งเลงในสิ่งอื่นๆนะให้ใจของเรามีแต่ความรักความเมตตาตลอดเลยทุกวินาทีเลยกับเพื่อนบุญทั้งหมดเลยแม่จะมาจะยกย่องคนนี้มากเลยขอดูตัวหน่อยเถอะถ้ า, าคุณทําได้จริงๆริคค่ะนะคนที่ทําจิตอย่างนี้ได้หายากมาก แล้วก็มีอานิสงส์มากพระเจ้าเคยพูดถึงพระองค์เองเนี่ยทําจิตแบบนี้ได้เนี่ยนะตลอดเจ็ดปีทาจิตที่มีแต่ความรักความเมตตาให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหมดเลยเนี่ยส่งความความสุขเลยไม่ต้องมีเทศกาลเลยทั้งปีชั้นส่งมันทุกวันเลยวันละทุกทุกทุกสาปีหนึ่งเนี่ยสามรหกสิห้าวันเลยวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยทุกวันเป็นเวลาเจ็ดปีพระองค์ทำอย่างนี้นะไม่ได้เฉพาะเทศกาลปีเก่าปีใหม่พวกนี้ ก็ทําให้ได้อันนี้สองอย่างมากโอ้โหไปเกิดเป็นบรมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชมาหากษัตริย์เป็นคนร่ำคนมีอะไรต่างอธิบายไว้เยอะแยะมากนะอเอาแค่ว่าเราทําในช่วงนี้ถ้าคุณจะอาศัยช่วงนี้ในการส่งความสุขใช่ไหมคุณทําไม่ได้นะทำให้จิตของเราเป็นลักษณะที่เป็นมหากตะคือจิตใหญ่จิตกว้างขวางจิตที่เป็นคนที่เอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เป็นจิตที่เหมือนดังห้วงมหาสมุทร พวกมาสมุนนี้อะไรมันใส่ลงมามันก็ไม่เต็มนะคุณเตือนใจน้ำจากแม่น้ำขั้วโลกตอนนี้น้ำแข็งมันละลายแล้วมันก็ไม่เต็มทะเลก็ยังมีใส่อยู่ได้น้ำจากแม่น้ำประเทศไหนก็แล้วแต่คองเสียของดีรวมหมดเนี่ยเป็นน้ำเค็มหมดแล้วก็เป็นทะเลหมดแล้วก็มีความยิ่งใหญ่มากเราควรทำจิตของเราให้ได้อย่างนี้ในการส่งความสุขแล้วความสุขก็ไม่ได้หาได้ตามในคลับในบาร์นะ บางคนบอกว่าดื่มอย่างนี้แล้วจะมีความสุขความสุขที่คุณดื่มได้ใช่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วเป็นความสุขที่จะเป็นภายนอกเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นความสุขที่เกิดจากภายนอกซึ่งมันเสื่อมไปได้ง่ายมากในความสุขในที่นี้เรากําลังพูดถึงความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เราส่งให้กันได้แล้วเราไม่ได้เสียความสุขของเราไปอย่าสมมติมาถ้าเป็นความสุขที่คุณดื่มได้เนี่ยเอาแก้วฉันไปให้เธอเนี่ยฉันเริ่มเครืองและฉันไม่มีดื่มเพราะมันต้องของเราต้องลดไป แต่ถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในนะฉันให้เธอเนี่ยฉันไม่ได้ลดนะฉันยิ่งมีความสุขมากขึ้นแล้วเธอก็มีความสุขด้วยแม่ดีจริงๆเลยเจ้ค่ะะแล้วมันก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะพวกฉันหรือพวกเธอนะมันได้หมดทุกคนถ้าคุณยังมีลมหายใจถ้าคุณยังอยู่บนโลกถ้าคุณยังมีผัสสะคุณฟังข้อความนี้อยู่คุณได้รับความสุขนิมเหมือนกันหมดได้จ้ค่ะ ก็เป็นถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะเจ้าค ะ, <S <S <S <S ะดีมากกว่าการที่เราจะจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งที่เป็นอมิสเซนจ้างหรือที่เป็นกรารมสุขเนี่ยเอาไปมอบแก่กั น, กนและการด้วยซ้ําไปสิ่งที่พระอาจารย์ภพบุญอภิปุโนได้สากฉามาก็คือการที่เราจะมอบหรือส่งความสุขโดยการแผ่เมตตาให้นั้นเนี่ยเป็นเหมือนนิรมิสคือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในจริงๆแล้วก็ส่งต่อความสุขนั้นๆไปให้ คนอื่นๆไปด้วยเหมือนกับแผ่เมตตาไปด้วยมันก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปนะเจ้าคะ่ะใช่อันนี้เป็นทางจิตประการหนึ่งประการที่สองเรื่องทางวาจาเจ้า<ช>ค่ะเรื่องทางวาจาแล้วก็พูดดีกับเขาต้องสัมมาวาจาใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องพูดวาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่กล่าววาจาไม่น่ารักเลยเจ้าค่ะนะพูดวาจาอะไรที่มันจะสนอสนแล้วก็แน่นอนว่าต้องไม่โกหกนะต้องไม่เป็นวาจาเพอ้อเจอ้ออย่างเงี้ยพูดแต่สิ่งที่เป็นมงคลอย่างเงี้ย มีจำนวนสุภาษิตอีสานเขาบอกว่าเข้าป่าเนี่ยอย่าถามหาเสือชใช่ไหมอะไรลักษณะเนี้ยนะคือเราก็ไม่พูดสิ่งที่ไม่เป็นมงคลนะพูดสิ่งที่เป็นมงคลในกรณีนี้คือพูดสัมมาวาจานะพูดวาจาที่จริงเท่านั้นอย่าพูดวาจาหล่อแหลกนะพูดวาจาที่น่ารักแก่ผู้ฟังเท่านั้นไม่พูดวาจาไม่น่ารักพูดวาจาที่ไพเราะอย่างนี้ก็ชื่อว่าเราส่งความสุขให้กันแล้ว เจ้าค่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่โยมคิดว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดนะเจ้าคะ่ะอย่างเช่นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาหรือแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่อยู่ในบ้านเนี่ยถ้าได้รับการส่งความสุขอย่างที่พระอาจารย์ภับุรอภิปุโนได้เมตตาสากขฉามานั้นเนี่ยโยมคิดว่าในครอบครัวนั้นหรือในสถานที่ทํางานนั้นๆในสังคมนั้นนั้นก็คงจะมีแต่ความสงบสุขนะเจ้าคะ่ะใช่หรืออย่างถ้าเป็นในทางกายนะ ทางกายพระพุทธเจ้าก็พูดถึงการที่เราไม่ฆ่าละ่ะอันนี้เราคงไม่ทําอยู่แล้วละ่ะแม้คนที่ขนาดว่าตื่นเช้ามาฟังรายการธรรมะรับวรุณเนี่ยคงจะไม่เป็นคนที่ไปหาเที่ยวฆ่าสัตว์อย่างนี้นะลั ก, กทรัพย์วัตถุปิดในการที่คงจะไม่ได้ทําดื่มเหล้าอะไรอาจจะมีบ้างเอาไม่เป็นไรนั้นยกไว้ก่อนยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรแ ต, แต่ว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เหนือกว่านั้นขึ้นไปคือเป็นผู้มีความกรุณาเอนดูเกือ้อกูลหวังประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายนะแล้วก็ เ, เราประพฤติประโยชน์ให้กันและกัน นะประพืชประโยชน์ในที่นี้เนี่ยคือเรื่องของทางกายเนี่ยมันกินความกว้างอะนะอย่างเช่นว่าเอาแค่คนแก่จะลุกขึ้นยืนอย่างเงี้ย เ, เราเข้าไปช่วยประยงท่านเราช่วยถือของให้ท่านแค่นี้คือคุณประพฤติประโยชน์ละอันนี้คือการส่งความสุขทางกายาไม่ได้ว่าต้องเสียเงินเสียทองไปซื้อกระเช้าของขวัญเบลล่มบเบลล์มเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการจริงหรือเปล่าด้วยไอของพวกนั้นมันก็จะเป็นการดีหรือเอาแค่ว่าเราประพฤติตนเป็นทายาติที่ดีอย่างลูกเด็กเล็กแดงเนี่ย ไม่ต้องเด็กเล็กดาโตขึ้นมาหน่อยก็ได้คุณมีพ่อมีแม่ใช่ไหมคุณจะส่งความสุขให้พ่อแม่คุณทําตัวดีหรือเปล่านะคุณทําตัวประพฤติตนเป็นทายาทที่ดีไหมนะรักษาสมบัติที่มีอยู่ไหมนะหรือว่าทํากิจการงานของมารดาบิดาให้ไหมแค่นี้มารดาบิดาจะามีความสุขมากแล้วใครที่เป็นพ่อแม่เดี๋ยจะทราบว่าถ้าลูกเราเป็นคนดีนะเรามีความสุขดีดีมากกว่าลูกเราเป็นคนรวยรวยแล้วก็หาเงินหาทองมาให้แต่ว่ายัาง เป็นคนที่ผิดผิดศีลอยู่อย่างเงี้ยท่านาก็จะมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขจุกค่ะเพราะน้ถ้าเราจุกค่ะนิมนต์จุกค่ะเพราะนถ้าเราสามารถที่จะทําความดีด้วยการประพฤติประโยชน์หมายว่าในทางกายเนี่ยนะเราประพฤติประโยชน์ให้กับท่านเหล่านี้นะประพฤติประโยชน์อย่างเงี้ยชื่อว่าส่งความสุขทางกายด้วยนะอย่างถ้าเราเป็นลูกจ้างอย่างเงี้ยเราเป็นลูกจ้างเป็นลูกน้อง เราจะส่งความสุขให้นายโดยการกระทำทางวาจาแล้วก็พูดไปแล้วใช่ั้ยพูดสิ่งดีๆเราจะส่งความสุขให้นายด้วยการด้วยทางกายเราจะทำยังไงเราทำงานอย่างขยันขันแข็งนะเรามาก่อนเราเลิกทีหลังนะทำงานอย่างดีเราไม่ถือเอาทรัพย์ที่นายไม่ได้ให้แค่นี้ก็ชื่อว่าส่งความสุขให้นายละดีกว่าการที่จะไปซื้อเสียเงินเสียทองมากมายบางคนต้องส่งสวยช่วงปีใหม่ทากระเช้า <c oughs> อะไรโอ้มันเป็นเรื่องที่เป็นทางอมิตรไปอย่างที่พูดนะถ้าในขณะเดียวกันถ้าเราสามารถคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยจัดแจงการงานที่มีอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องทําไม่ทําให้ใหในายกังวลตรงเนี้คุณชื่อว่าส่งความสุขให้นายละเจ้าค่ะทีนี้ในช่วงของการเทศกาลที่มีการส่งความสุขกันนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์ไภบูลอภิปุโนได้เมตตาสักกาหรือว่าสนทนาธรรมมาตั้งแต่ต้นนั้นเนี่ยโยมขออนุญาตที่จะกราบ าถามเรื่องหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าสมมุติว่ า, าเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีหรือเป็นผู้บังคับบัญชาก็ดีนะเจ้าค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะส่งความสุขให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของเราหรือแม้แต่เพื่อนๆร่วมงานหรือว่าผู้เป็นผู้บังคับบัญชาของเราเหนือขึ้นไปเนี่ยเราก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการที่ว่าเรามองกลับมาที่ตัวเราว่าเรามีอะไรที่ปิดพลาดไป หรือทำอะไรขาดตกบกพร่องอไปบ้างแล้วกลับตัวใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดเหมือนกันใช่ไหมเจ้าคะใช่ใชเจ้าค่ะประเด็นตรงนี้ก็คิดว่ามันมีเรื่องหลายเรื่องในเรื่องของการที่จะปรับตัวแก้ไขซึ่งเกี่ยวจะไปพูดสัปดาห์หน้าในวันสิ้นปีก็ได้เจ้าค่ะทีนี้ในเรื่องของการส่งความสุขเนี่ยที่คุณตนใจพูดถึงการที่เราทําตัวของเราให้ดีเนี่ยนั่นก็คือการที่เราส่งความสุขทางกาย นะคือส่งทําสุขที่เป็นในทางกายที่เราจับต้องได้รู้สึกได้เห็นได้นะชื่อว่าจะทําให้สังคมนั้นเนี่ยอยู่ดีขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เฉพาะเทศกาลไงคือเทศกาลพอทำทำเสร็จแล้วแล้วก็จืดจางกันไปแล้วก็เลิกกันไประหว่างปีก็ยังด่ากันว่ากันมันมันก็เป็นวงกลมอยู่เงี้ยไม่ได้ไปไปไหนนะกลางปีชั้นดา่าเธอท้ายปีฉันมาขอโทษเธอว่ามันมันไปไหนไม่ได้แต่ถ้าเราทําอยู่ตลอดเวลาแล้วไอ้สิ่งพวกเนี้มันทําได้ตลอดเวลา เราทําได้อย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาทางใจเราคิดดีกับเขานาวาจาเราก็พูดดีกับเขาทางกายเราก็ประพฤติประโยชน์เ อ, อื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนรักษาเวลาที่เขาประมาทอย่างบางคนเดินทางไกลยอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงกันใช่ไหมเดินทางไกลกันอย่างคนมากับบ้าบ้านต่างจังหวัดไม่รู้การเดินทางไปไหนคอยโทรตรวจสอบเธอไปถึงไหนแล้วเธอรู้ทางไหมเธอกินอะไรหรื อ, อยังแค่นี้แม่เป็นการที่ส่งความสุขกันทางกายทางวาจา นันดีกว่าของขัญชิ้นใ ห, ใหญ่ๆกระเช้าโตๆมากมากเลยเจ้าค่ะเป็นการรักษาเพื่อนที่ประมาทนี่สิ่งดีมากามก็เราได้บุญด้วยนะเจ้าค่ะใช่ทีนี้สําหรับบรรดาลูกเราเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ไปบุญได้เมตตาที่จะจากกระฉาให้แง่กิดบรรดาลูกหลานทั้งหลายปัจจุบันนี้ยเจ้าค่ะสังคมของเราเนี่ยมีเรื่องของปัญหายาเสพติดค่อนข้างเยอะเยาวาชนของเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะนะเจ้าค่ะใช่พระอาจารย์เมตตาให้ ให้แนวคิดสักนิดนึงว่าอยากจะส่งความสุขให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ท่านผู้ปกครองของเราให้ท่านมีความสุขอย่างแท้จริงกันได้อย่างไรบ้างโดยเริ่ ม, มจากตัวของบรรดาเด็กเองเจ้าค่ะคือตัวของลูกหลานเองเนี่ยเธอต้องเป็นผู้ที่อยู่ในศีลอยู่แล้วนะ น, นี้เป็นเป็นเรียกว่าพื้นฐานที่คุณต้องมีนะแล้วก็ที่ทําเหนือขึ้นไปจากนั้นเนี่ยคือเราต้องช่วยทํากิจของบรรดาบิดากิจในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าบรรดาบิดาสั่งไปใช้อะไรทําอะไร เราก็ช่วยเหลือการงานของท่านอันนี้ชื่อว่าคุณเนี่ยส่งความสุขทางกายละนะบางคนเนี่ยแม่ไปซื้อใช้ไปซื้อโอลเลี้ยงใช้ยากยากไปซื้อของตลาดอย่างเงี้ยสั่งมะนาวได้กว๋วยเตี๋ยวโอ้ยมันไม่ถูกละนะเราก็ต้องทําหน้าที่อย่างดีแล้วก็เราก็ช่วยทํากิจของท่านนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สเราต้องทําดํารงวงสกุลดํารงวงสกุลในที่นี้ก็คือว่าเราทําตัวของเราให้ดีนะให้เป็นอริยะวงนะเราอยู่ในศีลในธรรม เราไม่ทําสร้างปัญหาให้กับพ่อแม่ไม่ทําให้ท่านเดือดร้อนใจนะแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติตนเป็นทายาทนั้นะหน้าที่ของเราคืออะไรเราต้องรู้จักหน้าที่ของเราคุณเป็นเด็กใช่ไหมเรียนหนังสือใช่ไหมคุณเรียนให้เก่งนะคุณไม่มีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียนไม่มีปัญหากับคุณครูคุณไม่ติดยาเสพติดแล้วคุณก็ไม่เล่นเกมจนเกินเวลานะคุณรู้ว่าเวลานี้ต้องทําอะไรโอ้ยใครมีพ่อแม่คนไหนมีลูกอย่างนี้นะเป็นการมีเป็นลูกที่จะมีความสุขให้เราได้ทุกวัน นะไม่ใช่เฉพาะช่วงเวลาเพราะฉะนั้นอารมาจริงต้องเน้นตรงนี้ว่าท่านผู้ฟังอย่าไหลไปตามกระแสะของโฆษณาอย่าไหลไปตามกระแสของที่เขานิยมกันแต่เราต้องทําให้อย่างสม่ําเสมอพระพุทธเจ้าพูดถึงการปฏิบัติธรรมะเนี่ยต้องเข้มงวดสม่ําเสมอก็ต้องมาคอยเตือนตรงนี้ด้วยว่าแต่ถ้าเธอจะอาศัยช่วงเทศกาลที่ส่งความสูงเนี่ยเป็นตัวที่ดันเรานนหนุนเราฉุดเราดึงเรา ให้เราไปทําความดีอยู่อย่างต่อเนื่องขออนุโมทนาด้วยจะเป็นสิ่งที่ดีกับเธอมากๆแล้วทําให้ได้อย่างต่อเนื่องนะ เ, เ, เราไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องมีเป็นหมื่นเป็นแสนถึงจะส่งกระเช้ากองขวัญให้เขาได้แค่เราทําจิตอย่างนีนะ้พูดใจอย่างนี้กระทาความเอื้อเฟื้อทางกายกันอย่างนี้เราจะไปได้สังคมจะไปได้แล้วก็เธอก็ครอบครัวเธอก็จะมีความสุข ไม่มีใครที่จะไม่ได้ของขวัญเลยเราก็ไม่ได้เสียอะไรนะที่เป็นของที่จะต้องเสียหายแตกพังได้แล้วเขาก็ได้สิ่งที่ดีด้วยนะเป็นสิ่งที่เป็นนิรามิรเป็นสิ่งที่สามารถที่จะหมุนโลกให้ดำเนินไปได้อยู่ด้วยด้วยความสงบสุขด้วยนะเจ้าคะถูกต้องถูกต้องและมีความสุขอย่างแท้จริงด้วยใช่เจ้าคะ่ะสหรับในรายการธรรมราปุลในเช้าวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ของ วั น, นที่ 25, ที่25ธันวาคม2554ค่ะวันนี้พระอาจารย์ไพบุตรอภิปุนโนพระอาจารย์ของเราก็ได้เมตตามาสากักชาหรือสนทนาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งความสุขนะคะจึงก็ได้ท่านได้เมตตาที่จะให้แง่คิดหลายอย่างหลายประการทีเดียวดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการของเราในเช้าวันนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นพุทธศาสนิชนหรือเป็นพุทธศาสนิชนที่เฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันนี้คือวันที่25ธันวาคมนั้นเนี่ย ก็คงจะได้แง่คิดดีๆจากรายการธรรมารับรุนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเราไม่มากก็น้อยแหะค่ะช่วงเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายที่เหลืออยู่ในรายการวันนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ภัยบุญอภพพิปุโนเจ้าค่ะได้สรุปส่งความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นแฟนรายการธรรธมารับรุนโจาคานิมลเจ้าค่ะในเรื่องการส่งความสุขามาต้องการจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบตรงนี้เป็นการสรุปนะว่าอย่างถ้าเรายกตัวอย่างลูกเนี่ย นะมีพวงมาลัยให้แม่แค่พวงเดียวไม่กี่บาท10 บ, บาทนะแล้วก็กอดแม่แล้วก็พูดคาอะไรที่มันซึ้งซึ้งกับแม่สันหน่อยหนึ่งนะแค่นี้แม่จะมีความสุขนะเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่2แม่ลูกครูที่2ซื้อกระเช้าเบิ้ลให้เลยดอกไม้เต็มไปหมดนะแต่ก็ยื่นให้เฉยๆแล้วก็เพ่นไปเที่ยวกับเพื่อนถามว่าแม่เนี่ยไม่ได้สนใจสิ่งที่เป็นอมิตรตรงนีนะ้จึงต้องทําให้เปรียบเทียบให้เข้าใจว่าการที่เราได้รับคําพูดที่ระลื่นหู เป็นการส่งความสุขด้วยการวาจานะของอาจจะมีนิดๆหน่อยๆแต่เราทําจากใจที่จริงใจจากใจที่เป็นกุศลธรรมจากใจที่เป็นสุจริตเนี่ยนี่แหละคือการส่งความสุขที่แท้จริงให้เราส่งความสุขกันอย่างนี้อย่าความสุขนี้เป็นชื่อของบุญนะอย่ากลัวต่อบุญอย่าละอายต่อธรรมในการทําสิ่งที่จะถูกแต่บางทีเราอาจจะเขินแหมฉันจะพูดดีๆกับเธอเขินฉันจะทําดีๆกับเธอเขินจะกอดแม่เขินจะกราบแม่เขินกล้าซะให้กล้าในการที่จะ ทำความดีอย่า ก, กลัวต่อสิ่งที่เป็นบุญอย่า ก, กลัวต่อความสุขประเภทนี้นให้เธอทำานี้เธอก็จะส่งความสุขกันได้ด้วยการที่เป็นนิรามิตแล้วก็เป็นความสุขที่จเจริญขึ้นอย่างแน่นอนสาธุเจ้าค่ะนั้นก็เป็นแง่คิดที่พระอาจารย์ไพบูุญอภิปุโนลูกศิษย์เอกของประเดียดพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิ์ทิปภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ฝากไว้ให้เป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังในรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องกราบอาขอบพระคุณและกราบนมัส ก, การลาพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโกันแล้วคะ่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวนาันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตีห้าถึงตีห้าครึง่งกลับมาพบกับพระอาจารย์ภับุญอภิปุโ น, โนได้ใหม่ในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสําหรับตูดิจันก็จะได้มาทําหน้าที่ที่จะสนทนาซักถาม เป็นการสนทนาธรรมะหรือสากระชากับพระอาจารย์ใหม่ในวันเสาร์อาทิตย์หน้าคะ่ะซึ่งก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะสิ้นปีแล้วก็ต้อนรับดีใหม่กันแล้วเราคงจะมีหัวข้อเรื่องดีๆมาเสนอกันเหมือนเช่นเคยนะคะสําหรับเจ้าวันนี้มากราบน้มัสการลาและกราบขอพระคุณพระอาจารย์พบุรอภิปุโนโพร้อมกันนะคะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบน้ำมัสการลาเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปานสาธุเจ้าค่ะ